ตอนอบลมคอสนาวมินครั้งที่2ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม2560ตอนที่2ก็กลับสวัสดีนะครับท่านขอญาติทางทุกทุกท่านนะครับญาติทรรมผู้แสวงหาความสุขทุ ก, ท, กทุกท่าน คนเราจริงๆมันคงไม่ทุกไปตลอดนะครับอย่างร้อยสัปดาห์หนึ่งเราก็จะมีสุขอยู่หนึ่งวันก็คือวันอย่างวันนี้เป็นต้นกนะ็เป็นวันสุขนะครับเจ็ดวันแล้วก็สุขวันหนึ่งนะวันอื่นจะเป็นเสาร์วันที่ช่างหวมันวันนี้เราสุขไว้ก่อนการที่จะมีความสุขได้กคือมันไม่มีทุกแล้วเรามาทําอะไรกันเคยสงสัยไหม เคตั้งคำถามกับตัวเองไหมมาเวงเวง ม, มาเช็คเช็คมาทำอะไรกันทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรนะครับแลไอนี่มันงงไงหรือเปล่าไอ้นี่มันเป็นรัทธิหรือเปล่าในหน้าที่ของความเป็นหมอหมอเป็นคนที่ดือ้อไม่คยไม่เชื่ออะไรง่าง ต้องลองต้องรู้แล้วก็ประมวลผลให้เห็นจริงทุกสิ่งอย่า ง, จ, ง, จ, าา จ, งจึงจะเรียกว่านำมาใช้จนกระทั่งเกิดผลจึงจะเรียกได้ว่าเชื่อและเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราเข้าจิตไปแล้วเนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเรียนรู้มามันคืออะไร คำตอบที่ได้มันตลกดีครับมันง่ายมากมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันเป็นความรู้ระดับมัธยมด้วยซ้าไประดับด็อกเตอร์ก็มีเรียนแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านเข้าไปรู้ไปเห็นได้อย่างลึกซึ้งละเอียดมากแล้วก็อธิบายเท่าที่เราจะพอเข้าใจได้พอเมื่อเข้าใจแล้วพอเข้าจิตแล้วก็จะได้ไม่งงไม่สงสัย วตัตถุประสงค์วันนี้ก็คือการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติเสร็จแล้วโลาคุยกับใครไม่ได้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเสร็จแล้วเราต้องโอ้โหเป็นฤาษีชีพไรเราก็อยู่กับโลกอยู่อย่างเข้าใจโลกไม่หลงโลกแต่ไม่ขวางโลกก็ทําไปทําหน้าที่ไปนะครับ ถ้าเราเข้าใจว่ากายคืออะไรจิตคืออะไรเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจว่าภบชาติคืออะไรแล้วเราก็จะรู้เท่าทันมันเราก็จะไม่ไปอารมีอะไรกับมันมากมายนะครับก็แนะนําตัวเองเป็นทางการนะครับเ้าบอกว่าเป็นหมอทางเลือกจริงๆแล้วกระจกแพทยศาสตร์ปฏิทิตนี่แหละครับจากมาในสงขรามนักครินเมื่อปีการศึกษา242ก็เตะซะว่าเกือบ20ปีแล้ว ไปเรียนรู้ถึงต่างประเทศนะครับเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์นะครับการบมบัิด้วยเซลล์การให้อาหารสิ่งแวดล้อมบาบัดการล้างพิษโลหนะทั้งออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์การเป็นวิทยาศาสตร์ชลววัยและสุขภาพนะครับก็ได้มาทำงานในด้านนี้ก็คือเป็นแพทย์ที่ศูนย์แพทย์ะสมผสานนะครับ แล้วก็หน้าที่ที่งานไม่ขอให้เกิดไรายได้เนี่ยก็คือเป็นเลขาธิการสมาคมเชืมอแบทไทยโดยบรรยศสมาคมการแพทย์เคเลชั่นไทยอบรมแพทย์ประมาณพันกว่าคนละเป็นกรรมการสมาคมสถาบันหลังกที่เพื่อสุขภาพากรรมการวิชาการสํานักแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขกรกรมการวิชาการกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาการฉลวัยสามหาวิเลยนะครับก็อย่างเงี้ย ทำหน้าที่ไปภาพนี้จะให้ดูอะไรให้ดูกายกายเราเนี่ยเห็นสวยๆงามๆเห็นอะไรเงี้ยไม่ได้ลำบกอะไรนะครับลองถอดหนังออกมาดูดิยังสวยไหมเดินมาดึกๆอย่างนี้เอาไหมเหลือแต่กระดูกเป็นไงแล้วจริงๆแล้วกายเรามีอะไรกายเราไม่มีอะไรเลยเอา้าวยังไง ไม่มีอะไรเลยการประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ประกอบไปด้วยอะเซลรวมตัวปเป็นอวัยวะต่างๆในเซลล์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของแหล่ธาตุต่างๆแหล่ธาตุต่างๆก็ไม่มีอะไรเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นมาแต่เพียงไข่กับสมองแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็แบ่ง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะครับในเซล์ก็มีแหล่ธาตุมีองค์ประกอบนูกนี้นั่นจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ช่างหัวมันเถอะ นะครับมันก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุธาตุคืออะไรธาตุคือการรวมตัวของกลุ่มพลังงานสองรูปแบบก็คือหนึ่งที่เรียกว่าโปรโตอนอีกกลุ่มหนึ่งอีกอยาหนึ่งเรียกว่าอิเล็กตรอนขั้วผูกกันลงเป็นประจุถ้าเราพิจารณาน้ำน้ำที่เห็นอยู่ในภาชนะไหลไปมาได้โดยเราเลิเปรี่ยม เราดื่มได้ไปแช่แข็งปั้นเป็นรูปต่างๆได้นะครับธาตุของน้ำคืออะไรเรารู้จักอะไรน้ำ H2O คือไฮโดรเจนสองโมเลกุลออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลใช่ไหมแล้วไฮโดรเจนคืออะไรไฮโดรเจนคือองอป์ประกอบของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวกับนิวเคลียสตรงกลางอีกหนึ่งก้อนและตรงกลางอีกหนึ่งก้อนกับอิเล็กตรอนอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยมันคืออะไรลงไปปุ๊บกลายเป็นพลังงาน หมุนวนอยู่เรียกว่าควักในในโปรโตอนอิเล็กตรอนก็หมุนวนอยู่เห็นไหมล่ะเห็นเป็นตัวแท้ๆพอมองลึกลงไปลึกลงไปลึกลไปเฮ้ยเฮ้ยเริ่มไม่มีอะไรเลิ่เริ่มเป็นพลังงานอัดแน่นรวมตัวกันแอบเริ่มเป็นพลังงานจากน้ำกลายเป็นรูปจากรูปกลายเป็นน้ำรูปน้ำเกิดสลับกันไปสลับกันมาดูอย่างโทรศัพท์เราก็ได้หน้าจอโทรศัพท์เราเนี่ย ทำไมมีตัวหนังสือมีตัวรูปภาพที่เราวแตะเลื่อนได้ด้วยมันมีตัวตนจริงไหมเกมที่เราเล่นในที่มันวิ่งได้ที่เราสั่งให้มันวิ่งได้ไอขนมถิ่งวิ่งเพ่นพ่านนั่นน่ะมันมีตัวตนจริงไหมมันเกิดจากอะไรทุกสิ่งอย่างก็ไม่มีตัวตนร่างกายเราตอนเราเด็กๆร่างกายเราก็ไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถ้ามีตัวตนที่เที่ยงแท้แล้วเราตอนเด็กไหายไปไหนทำไมตอนเด็กเรา ไม่มาด้วยเราเกิดจากอะไรจากเซลล์หนึ่งของพ่อเซลล์หนึ่งของแม่แล้วก็แบ่งบ่งแๆๆๆสร้างหนึ่งตัวตนขึ้นมามีอวัยวะขึ้นมานี่คืออะไรนะครับเซลล์เราเนี่ก็เป็นพลังงานนะครับเป็นพลังงานที่พยายามรักษาสมดุลเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามคงสภาพ การคงสภาพของเซลโวกกรงสคงสภาพพลังงานในเซลล์ให้ได้เราจะกินอาหารสารพัดสารเพเราจะดื่มน้ำเราจะหายใจเราก็ได้ธาตุเข้าไปออกซิเจนหรือธาตุอาหารต่างๆที่เราตั้งชื่อว่าแมกนีซเซียมโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมเราดื่มน้ำก็มีไฮโดรเจนออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ไปรักษาสภ า, าพในเซลล์ให้ทำงานอยู่ได้การเคลื่อนที่ของประจุ ้าที่วิ่งเข้าออกก็ย่อมก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานวัดความถี่ความต่างศักย์ได้ 70-90 ถึงมิลลิโวแล้วก็ระบายออกให้มีความสมดุล น, นะครับถ้าเซลล์มีพลังงานที่เกินนะเกินเอาเกินก่อนนะครับถ้าขาดก่อนดีกว่าขาดก่อนเหลือสัก40่เซลทำ ง, งานต่อได้ไหมไม่ได้ก็เกิดการฟอร์ ก็เสื่อมเป็นผังผืดแห้งๆไปเหมือนพนลไม้เหี่ยวแต่ถ้าพลังงานเกินอย่างเช่นพลังงานจากสารพิษจากสิ่งแวดล้อมจากโลหะนะหรือแม้แต่พลังงานเชิงกลอย่างเช่นการปีเข้าไปบนเซลล์ของเราบนผิวบวมไหมพลังงานเกินเซลล์ได้รับพลังงานเกินเซลล์ก็บวมถ้าพลังงานเกินมาเร็วๆเซลล์รับไม่ได้เหมือนเราเป่าลูกโป่งเร็วๆแตกไหมแตกก็ตาย เหมือ น, เ, นเราโดนกระแทกแรงๆเราก็ตายใช่ไหมครับเราขับรถไปรถรถไปชนกันเราก็ตายเราขับรถไปชนมดเราก็ยังตายได้ดทั้งมดเกาะที่2ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นชนนะแต่ถ้าพลังงานมาช้าๆเหมือนลูกโป่งค่อยๆหยดน้ําไปเรื่อยๆมันก็จะขายายขายายขายา ย, า ย, ายถูกไหมการบวงตรงนั้นของเซลล์เรียกว่าการอักเสบ พ อ, อักเสบบวมมากๆเข้าพลังงานเป็นร้อยี่สิบวบวมบวมวมปรับตัวครับถ้าทนไหวก็ทนถ้าทนไม่ไหวก็รั่วเอาพลังงานรั่วออกไปจากอักเสบว่ากลายเป็นเสื่อมเหมือนที่เราผิวหนังอักเสบว่ากลายเป็นผังผื่เป็นแผลเป็นเป็นร่องรอยต่างๆนะครับอย่างพวกโรคสัะเก็ดเงินเลยอเรื้อนตายก็เป็เก็ดขึ้นมาถ้าอักเสบมักนานๆเข้าจากเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบช้าๆทําไงดี เอาตัวรอดยังไงดีก็แบ่งเป็นสองอันนะละไรก้าสิทแชร์พลังงานไปเรื่อยๆเกินอีกก็แบ่งอีกเกินนี้ก็แบ่งอีกอก็กลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยของร่างกายมนุษย์รู้จักกายก่อนมีสองอย่างไม่ขาดก็เกินขาดก็คือเสื่อมเกินก็อักเสบอักเสบอาจจะเสื่อมหรือเป็นมะเร็งก็ได้เพราะฉะนั้นมะเร็งไม่ใช่โรคน่ากลัวมะเร็งคือการปรับตัวของเซลล์เพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ป ก, ปกติ เราเรียกชื่อมันว่ามะเร็งจนเรากลัวมันเองแล้วแถมการรักษาคือให้ยาเคมีบําบัดให้ฉายรังสีไปทาําให้พลังงานไปเกินมันอีกให้มันตาแต ก, แ ต, ก, แ ต, กตายไปซะได้เซลล์ววาตายเราก็ตายอะ่ะแปสิบเอร์็ของคนไขที่เป็นมะเร็งที่เสียชีวิตก็เพราะการรักษาด้วยเคมีบําบัดใช่หรือไม่แล้วความทรมานที่เราเห็นคนคนไข้มะเร็งต้องโอ้โหหัวเหอผมร่วงไปหมดไม่เหมือนเราสมัครใจโกน นะของคนไข้มะเร็งลรมานแล้วเราก็รู้สึกว่ามะเร็งนั้นน่ากลัวแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าที่น่ากลัวนะั้นไม่ใช่มะเร็งหรอกน่ากลัวนี่คือการรักษาต่างๆนะครับเอาละ่ะพอเข้าใจแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในเมื่อความเจ็บปวดมีสองแบบไม่ขาดเกิเกินทําไงอะ่ะการรักษาก็มีเท่านี้แหละไม่ขาดก็เติมให้เกินไปก็ออกจบไปง่ายไหมง่ายมากแต่ยากรหเืนกน นะครับเพราะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกปติใครล่ะเป็นผู้ทำให้สิ่งแวดล้อมเจ๊งใครมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นชี้ตู่มากมนุษย์มีความอุจาระนันทิดาอย่างสูงอุจาระประยุทธ์ด้วยชี้ตู่บอกว่าโลกนี้เนี่ยเป็นโลกมนุษย์ใช่หรือไม่ โลกนี้เป็นโลกของสรรพสิ่งปลวกในจังหวัดหนึ่งยังมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกอีกด้วยซ้ำไปประชากรปลวกเห็นไหมใช่ไหมแถมมีมนุษย์บางคนไปทำหน้าเป็นพวกมันอีกนะก็หนักกันเข้าไปใหญ่สร้างบอระพ็ดขึ้นมามากมายเพราะมนุษย์มีความอยากนะครับโลกก็จะเก็บพวกสารปิดไว้นใต้โลกเพื่อที่อัดไว้มนุษย์ก็ไปขุดมาใช้พาการขุดนั้นได้พลังงานได้ต่าง อย่างเนี้ยนะครับน่าจะไปวิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้พามควันไปโดนยิงใครทำมนุษย์นะครับการรักษาก็ไม่มีอะไรมากไม่ว่าเราถ้าเรามองไปทางร่างกายอย่างเดียวบางเจ้าก็จะมองร่างกายเป็นหลักเลย ก็จะพูดถึงเรื่องอาหารเสริมพูดถึงเรื่องวิตามินสมุนไพรสารพาัดสราสรเพลแล้วบอกว่าโ oh, อ้ยเนี่ยดีมากเลยนะปีละอย่างออกมาแล้ว <มะ S 1> เห็นไหมเมื่อก่อนซาไปรูเลน่าถั่วขาวอนะไรแบบมีสรารพัดเอ็มชอบนะสารหลายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้มีอะไรตอนนี้มีไซซามินสารกัดจากงาก็ฮิตกันไปเหินกันไปแห่กันไ ป, แ, นไปแล้วบอกว่าโ oh, อ้ยเนี่ยดีมากเลยรักษาได้ทุกโรค ก, ก็แห่กันไปรักษาไอ้หายก็ออกมาโชว์ไอ้ตายก็ออกมา ไปฝังนะไม่กล้าโชว์เขินไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีมีแต่ความเหมาะหรือไม่เหมาะเด๋ยนเราต้องมาพูดกันให้เคลียร์นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่เป็นสมุนไพรวิเศษรักษาได้ทุกโรคจริงๆถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจะหามาให้นะครับมีชื่อว่าบ o o n f l o w e รรักษาได้ทุกโรคนะครับอยากได้ไหมแต่เป็นไทยว่าดอกไม้จันทร์ เอาไหมครับไปหาเองก็ได้มันมีที่ขึ้นมันจะขึ้นอยู่ตรงบันไดกลางแล้วมันจะลงบันไดข้างแล้วก็จะออกรูปเป็นยาหอมยามดมยมยามมองหนังสือธรรมาพักเครื่องเลยว่าไปไปหาเอาเองไม่มีอะไรที่ดีหรือไม่ดีมีแต่เหมาะหรือไม่เหมาะณนะขณะใดๆกับใครอย่างไรถ้าพูดเป็นเรื่องโครงสร้างร่างกายแล้วพูดถึงเรื่องการนวดการปรับสมดุลการจัดกระดูกอะไรก็ว่าไปนะครับพูดถึงเรื่องกายและจิต ที่ประสานกันก็จะเริ่มเข้าเรื่องพลังงานและไป่ว่เรื่องโยคะจะเป็นเรื่องของการสั่งจิตต่างๆถ้าเป็นพูดถึงเรื่องออการปรับสมดุลพลังงานที่ลึกขึไปอีกก็จะเป็นเรื่โฮมิโอพาธีซึ่งตอนนี้ก็มีความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็มีอายุรเวทอย่างเงี้ยที่มีศาสตร์เก่าแก่มากกว่าเ0็ดพปีนะครับห้าพปีตามำบันทึกหรือจะเอาแบบพลังงานล้วนๆก็กว่ากันไปด้วยเรื่องพลังแม่เหล็ก ด้วยเรื่องพลังกายที่เพื่อสุขภาพพลังไรกิโยเรนะครับใช้ฝ่ามืออรหันต์ส่งพลังเอาหายนะมันปรับสมดุลพลังงานของเซลล์ได้นะแต่ค่อยๆ ย, ยปรับนะครับก็ได้เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่เพียงเพื่อจะปรับให้พลังงานมีความสมดุลเราก็อยู่ได้แต่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ตายนะครับต้องตายทุกคนแต่เรา จะทำยังไงที่จะทำให้วินาทีสุดท้ายนั้นไม่สู่ทุกขติกูมเราต้องมีสติรู้ตัวทั่วพรอ้อมใช่ไหมไม่ใช่นอนระโยงระยางเป็นมนุษย์เนมุมยักระติดยหญอ่ะสีส่ห้าเส้นทิมเข้ามานะครับเวสสาชลาวัยที่ผมสอนอยู่เนี่ยผมสอนกับนักปราสเมเสมอว่ามันไม่ใช่ชีวิอตอมตะแต่ขออยายให้เป็นอมภาร เป็นเวสต์สตว์ะลอว้ก็คือการที่มีสุขภาพดีตลอดอายุไขไม่ใช่เดี่ยง60ิตาย80ดสิเอาไหมแห่อายุยืนถึง1 0อปีแต่นอนอยู่บนเตียงตั้งแต่เจเอาไหมไม่เอาเห็นไหมครับผมไม่มีใครอยากเป็นเสียสีมรถเข็งบิลเลเนอร์ออเดอร์วิลแชร์นะทุกวันนี้เราหลงกับการใช้ยาทุกวันนี้เราหลงกับอาการที่คิดว่าอาการนั้นคือโรค อย่างเช่นความดาันโลหิตสูงใครคิดว่าความดาันโลหิตสูงเป็นโรคยกมือขึ้นใครที่ต้องกินยาความดันทุกวันตอนเนี้โดนบังคับกินยาทุกวันยกมือขึ้นอฟังดีๆอย่าเพิ่งไปหยุดยาโดยพลการแต่อยากจะให้ข้อคิดไว้เส้นเลือดเราเป็นท่อน้ําหัวใจเราเป็นปั๊มน้ํา ถ้าวันหนึ่งท่อมันมีอักเสบเรืร้อลังจะมิตรการนเหลือรูแค่นี้หัวใจจะทําอย่างไรจึงจะปั๊มผ่านท่อไปให้ได้เท่าที่ร่างกายต้องการต้องปั๊มแรงขึ้นถูกไหมครับแล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปกินยาลดแรงปัมป๊มกลัวปัมป๊มพังขยายท่อกลัวท่อแตกแล้วไม่กลัวส่วนปลายจะขาดออกซิเจนเหรอสมองเสื่อมไตาวายตาบอดจะเอาอะไรก่อนเลือกเอาเพราะเราไปมองว่าอาการคือโรค ไม่อย่างเรามีไข้อย่างเงี้ยไข้คืออะไรคือการที่ร่างกายกำลังจะต่อสู้ใช่ไหมเราต้องสร้างความร้อนขึ้นใช่ไหมแต่เราดื่อย า, อยาลดไข้เราไม่สู้เพื่อจะได้เอายาฆ่าเชื้อใส่เข้าไปแล้วเราก็แย่นะครับอันนี้คือมุมมองที่แตกต่างกับโรงพยาบาลจากแพทย์คอนเวนชั่นหรือแพทย์ทางหลักโดยสิ้นเชิง น, นะครับตรงนี้ไม่ใช่แพทย์แผนโบราณ เราต้องเรียกว่าเป็นแผนผสมผสานเป็นแผนอนาคตโบราณปัจจุบันและอนาคตมารวมกันใช้ให้เหมาะอย่างท่อเป็นอย่างนี้เราก็ดูสิล้างท่อซะหน่อยให้วิจารณ์หารเสริมให้การล้างท่อดูที่ว่ามันบวมหรือมันแข็งตรวจได้ถ้ามันบวมอ่ะบางคนเป็นอุ้มแพ้เส้นเลือดบวมความดันบางวันขึ้นสูงบางวันลงต่ำกินยาแล้วัวดทิ่ม ไ, ไหมนะเห็นไหมก็เล่าให้ฟังเข้าข่ นะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างนี้ไหมทุนนิยมแข่งกันเสรีต้องทำงานมากๆเพื่อจ ะ, จะให้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปนอนป่วยเอาไหมครับชีวิตเราเป็นอย่างนี้ไหมไม่เอาวิธีชีวิตเราเปลี่ยนไปเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ทำงานก็ต้องทาแต่ไม่ใช่ว่าให้งานมันมาทำเราเมื่อก่อนเราอยู่สภาพแวดลอ้อมดีไหมอากาศดีไหมดีเครื่องยนต์สองแรงวาย อาหารมีโอ้โหสรารพัดเยอะแยะวิตามินอาหารเต็มที่แต่ปัจจุบันเมืองเป็นอย่างนี้มลพิษเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ดัตเวเดอร์นะฮะนี่คือตำรวจจรา จ, จรผู้น่าสงสารอาหารกยบางทีก็ไม่อยากเรียกว่าอาหารขยะมันให้เกียรติเกินไปทีมันไม่ใช่อาหารนะอาหารปลอดสารอย่างนี้ก็ปลอดสารอาหารไม่ได้ปลอดสารพิษ <laughs> ไม่ได้ทำเหอรอ <laughs> <ๆ>โลกมันเปลี่ยนไปครับแต่เราต้องอยู่มันให้ได้ เอาละสามข้อที่ขอให้ดูแลทําได้ไหมละ่ะอาหารเหมาะส ม, มะสอารมณ์แจ่มใสร่างกายสม่าเสมอทําได้ไหมบางตําราบางคนเขียนตํำราโอ๊ยห้าอหกอเจ็ดอแปดอถามว่าออื่นคุมได้ไหมอากาศไม่ดีร้อนนักหนาขอไปติดแอร์พาทิย์หน่อยได้ไหมไม่ได้คุมไม่ได้จะมาเขียนน้ำแมวอะไรหรอกบ้านอาคารบ้านเรือน คุมได้ไหมเบื่อบ้านนี้เดี๋ยวย้ายไปอยู่บ้านนู้นไปเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนทําไหนนอนนั่นได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมครับหนาวมากก็บินลงมาเหมือนนกกำนังแอน่นบินจากรัเสเซียลงมาก็ได้ไหมก็ไม่ได้นะแต่นี่คือสามสิ่งที่เราดูแลได้ถูกไหมครับเอาเรามาดูทีละข้ออาหารเหมาะสมฟังดีๆโปรดฟังอีกครั้งเลย ผมไม่ได้บอกว่าอาหารมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ผมบอกมันเหมาะกับร่างกายหรอกไหมซึ่งแ บ, บ่งเป็นสาหัวข้อคือชนิดเหมาะสมชนิดเหมาะสมเนี่ยคูดกันมาตั้งแต่โอ้ยเป็นหมื่นปีแล้วมันเคยยนการกินอาหารตามท่าหรือถ้าเจ้าเรือนไหมปัจจุบันก็มีวิจัยสองชั่วายุคนกินตามกลุ่มเลือดเคยยินไหมนะครับผมเขียนหนังสือไว้ถ้าใครพอไปหาซื้ออ่านได้คือกินให้เหมาะเพรากุ่เลือดต่างกัน มันมีเหตุและผลของมันอยู่ว่าทําไมกุ๊ปนี้ต้องกินในนั้นกุ๊ปนั้นต้องกินในนี้นะผลเลือดก็คือถ้าใครแบบภูมิแพ้หนักๆต้องไปตรวจเลือดดูว่าอะไรไม่เหมาะกับเราจริงๆเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปถ้าย่อยได้เป็นอาหารย่อยไม่ได้เน่าไหมเน่าแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นพิษกับร่างกายธรรมชาติก็สอนเราหมีโคโล ก, กินปลาหมีแพนด้ากินอะไรแลกกันได้ไหมหมีเหมือนกัน เหมือนเราไปบ้านนี้โกรเราขอไปกินข้าวนี้โกรธก็ยังได้นะแต่มีเคาโลกกินปลามีเพื่อนหน้านกินไม่ไปแนกกันไม่ได้ให้วัวกินเนื้อเสือกินหญ้ามีเพืนหน้านกินปลาทูได้ไหม้าไม่ได้ไปนกนั่งนวยกับนังแอนอยู่ทะเลเหมือน ก, กันกินเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมครับความเหมาะสมน้ำมันเครื่องรถไถนาไปเติมรถกระบะได้ไหมดีเซลเหมือนกันก็ได้นะแต่าจะวิ่งไม่ออกคันดําเครื่องพังก็ไม่รู้เท่าไหร่นี่คือชนิดเหมาะสมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกิจกรรมก็เป็น เหตุผลหนึงที่เราต้องเลือกให้ถูกไม่ใช่กินยังกระปล่นออกเลยยังกระย่องเบาก็ไม่ได้ใช้ก็อ้วนกันหน้าดูนะครับงวิธีเหมาะสมเคี้ยวนานๆเดี๋ยวมาขยายความทําไมต้องเคี้ยวนานเวลาเหมาะสมคือเ น, นหน้าหานเช้าทําไมมีเหตุผลทั้งหมดเงื่อนไขกติกานี้ผมไม่ได้ตั้งหมอไม่ได้เป็นคนตั้งเงื่อนไขกติกาแต่นี่คือเงื่อนไขของธรรมชาตินี่คือเงื่อนไขของธรรมชาติซึ่ธรรมชาติบอกไว้อย่างนี้นะครับ เอาละเรามาดูกันนะอันนี้คือปิระมิดอาหารรู้จักไหมครับก็คือการบอกว่าสัดส่วนอาหารที่ควรรับประทานควรจะกินไรมากน้อยแค่ไหนโดยประมาณเป็นสัดส่วนดังนี้ทําไมมีสองปิระมิดรู้ไหมครับทําไมมีสองอันเออสมัยก่อนเราเป็นเกษตรกรใช่ไหม เราต้องใช้กำลังใช่ไหมเราต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับปัจจุบันเราอยู่แห่งโลกโมลุพิษเราต้องการแอนตี้ออกซิแดน์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นเราก็ต้องกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นวิสัยทัศน์ของท่านอดีตรัฐมนตรีสาสุขคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งนี่คือสััน์ของท่าน สมัยก่อนเราเป็นกัลเสตกรเราต้องใช้พลังงานแล้อกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหน่อยนะเคยได้ยินใช่ไหมเมื่อก่อนใครเกิดทันเช้าเช้าก่อนรถของชาติก็กาลสกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทรจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกัลเสก ร, รมแล้วเราก็เป็นุตสาหกรรมไปตอนไหนก็ไม่รู้แต่คาร์โบไฮเดรตก็อีกนั่นแหละมันก็ให้น้ตาลไม่เท่ากัน สมัยโบราณเรากินธั ญ, ญพืช น, นะครับโอเคเราอาจจะกินข้าวฝรั่งอาจจะกินขนมปังแต่โทษทีฟังดีๆธั ญ, ญพืชฝรั่งเขาเอาธั ญ, ญพืชสาลีไยโอ๊เขามาบดบดนะแล้วเขาก็เอาไปอบไปใส่น้ำไปอบไปขึ้นเป็นแผ่นคล้ายๆขนมปังแต่รสชาติเหมือนกระดาษลังมากเลย ซึ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับขนมปังสมัยนี้ที่บอกหอมกุิ่นจากเตาหอมนุ่มทุกเช้าอร่อยติดใจเรากินต่อเปล่าได้เนี่ยมันคนละเรื่องอย่าไปหลงนะบอกว่าโควิดโอ้ขนมปังโควิดอาหารสุขภาพใครมาพูดเกล์ไกลกินเขี่ยร่วงนะนะโควีดถ้าไปทําแบบเป็นแผ่นกระดาษละไรโอเคพอทนแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นแป้งแปลรูปมาแล้วใส่น้ําตาลนมไข่ ของฟูรีสแล้วขึ้นรูปหอมหุ้งเลยนะถ้าเติมกาแฟหน่อยเนี่ยนี่อุ้ยต่อแถวนี้กิโลเลยเคยเห็นไหมนะครับมันต้องเข้าใจด้วยนะเราก็ต้องกินให้เหมาะเราไม่ได้ใช้กำลังเยอะกินน้ําตาลไปเยอะได้ทำไมใช่ไหมแล้วอาหารแต่ละอย่างให้ําตาลไม่เท่ากันนะครับข้าวกล้องให้น้ําตาลสี่เปอร์นตข้าวขาวน้ําตาลร้อยปอร์ แป้งแปรรูปใหน้น้ำตาล 120% ขึ้นไปอ่าป้าตงโกลหนึ่งตัวท่าเข้าทัพพีอะพูดง่ายๆนะครับแป้งแปรรูปมีอะไรบะมีมาม่าพัตต้าขนมปังคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆซาลาเปาก๋วยเตี๋ยวกวิ่นกุ้โกลโลตีอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเข้าใจเนาะหรืออย่างงี้อเมริกาที่ เก่งทั้งเรื่องของบริษัทยายักษ์ใหญ่นู่นนี่นั่นแล้วดูดีแต่ละคนลูกเต้าเหล่าใครเปนในแบบโฆษณายานยนต์บ้างอ่ะแต่ละคนโอ้โหนะเป็นโรคนะครับป่วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะโหนสิ้นไรไม่ตอบ ก, กินเลยไม่ได้เลยนะครับถ้าอยากกินเบเกอรี่แนะนำํำนี้เลยรู้จักไหมเมื่อก่อนเขาเรียกโดนะัทสมัยนี้ก็เพิ่มน้ำตาลเพิ่มอีกหน่อยเลยทิฟต์ไอคิมแต่ถ้าอยากกินให้ปลอดภัยไม่อ้วนต้องกินเฉพาะตรงกลางแล้วจาไม่อ้วนนะครับ แต่แข็งแรงทีเดียวนะเวลาไปซื้อบอกเอาแต่ตรงกลางของอาหารเหมาะสมท่องสถหาหนึงไว้คือแป้งน้อยๆถ้าเป็นสูตรคือตั้งแต่เที่ยงเลี้ยงแป้งนะครับตั้งแต่เที่ยงแลงแป้งถ้าเราไม่ได้เป็นกรรมกรแบบอาขุดดินทำสวนกลางกลงคืนน่ยนะนะเรื่องวิีกินลองกินแต่ ก, กับข้าวอย่างอื่นก็พอข้อต่อไปคือเคี้ยวนา น, านๆนี่คือระบบย่อยของเราทั้งหมดตั้งแต่ปากเย็นก้น มีความยาวตั้งปากยันก้นนี่ประมาณแปดถึงสิบเมตรแปดถึงสิบเมตรยาวแค่ไหนคิดตัวเองแล้วกันนะครับมีที่ย่อยอยู่สามที่คือปากย่อยแป้งดยน้ําลายกระเพาะย่อยโปรโตีนนะครับอันนี้อาจจะเป็นภาษาเยอรมันหน่อยนะครับตอนไปนเทนทเยอรมันเอามาแล้วลำไส่เล็กส่วนต้นจะย่อยแป้งและไขมันโดยน้ำย่อยจากตับอ่อนโอเคไหม <Jub ilee> ที่เหลือก็ดูดซึมดูซึมดูซึมดูซึมดูซึมดูซึมดูซึมดูดซึมลไสเล็กแล้วก็ไปดูดซึมน้ำแล้วเกลือแร่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็คื้อออกมาตอนท้ายที่สุดถ้าเรากินแล้วไม่ย like ่อยเน่านานไหมเน่าซับเน่าซอนเน่าซ้อนเงื่อนไหมเห็นไหมการย่อยเกิดขึ้นสามจุดคือปากย่อยแป้งกระเพาะย่อยโปรตีนลำไส้เล็กส่วนต้นย่อยแป้งกับไขมันเอาเชิงเคมีนั้ไม่เอาเชิงกลเรามาดูนะครับเวลาเรากินอาหารคําแรก หูรูดตรงนี้จะปิดสามชั่วโมงเพอต้องตัดโปรตีนไว้ย่อยก่อนไงไม่รู้จะย่อยที่ไหนใช่ปะ่ะแล้วถ้าเรากินแป้งเข้าไปแล้วกินเร็วๆคืนคืนคืนคืนเข้าไปแป้งเป็นกองสามชั่วโมงจะย่อยไหมไม่ย่อยบูดแก๊สขึ้นไหมแก๊สขึ้นแสบร้อนไหมแสบร้อนสมองสั่งเฮ้ยกระเพาะเองย่อยให้ได้กระเพาะหลังกดเพิ่มกดไหลย้อนตามใจขึ้นมาไหมแล้วเราก็กินยาลดกดไหม แล้วก็ปนน้ำย่อยหมดใช่ไหมเล่าที่ไหนย่อยอ่ะก็ เ, ะเนา่าด่ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราเคี้ยวนานพอคำละสามสิบวินาทีน้ำลายย่อยแป้งได้ลงกระเพาะและ้วสบายแล้วเพราะมีแบคทีเรียดีเข้าไปช่วยก็จะทำให้ไม่บูดไม่เนา่าทำไมทุกชาติทุกภาษาจะต้องมีสิ่งเรียกว่า appetizer หรือที่เรียกให้น้ำลายออกเยอะๆกินโต๊ะจีนเคยไปไหม นะครับเสร์ฟข้าวลําดับไหนนะสุดท้ายตัวจีนทําไมอ่ะจะกินแต่กลับไม่ได้เหรอจะไปกินได้กินจะกินข้าวกับไม่ได้เลยต้องเป็นเสิร์ฟข้าวระดับสุดท้ายก็คือปรุงปัญญาที่จะทําให้ย่อยเนื้อย่อยอะไรไปก่อนแล้วแป้งตามทีหลังวัวควายมีหลอดอาหารพิเศษทำไมต้องไปย้อนมาเคี้ยวใหม่ลิงกินแย่งกันกินยัดยัดยใสยป่ปากเกินไหมไม่เกินเห็นไหม แล้วเราจะกินเร็วให้อายลิงไหมในปากสามสิบวินาทีนะครับเราจะสบายขึ้นเยอะใครที่กดไหล ย, ย้อนลองดูนะเคี้ยวในปากสาสิบวินาทีนะครับแป้งน้อยเคี้ยวนานเนาะนะนะเดี๋ยวรู้จักกายแ ล, ากแล้วจะได้รู้จักจิตแล้จะได้โอ้โหปฏิบัติอย่างสนุกสนานนะครับขอคำละสามสิบวินาทีนะไม่ใช่จานละนะเอาให้ดีนะอย่ารีบใครรีบนักลองกินมือข้างที่ไม่ถนดัดดูลองใช้มือซ้ายกินข้าวดูบ้าง เหมือนจะดีนะเหลื่อยกันตบโต๊ะนี่คือระบบดูดซึมถ้ามันย่อยได้ระบบดูดซึมเราก็จะดูดซึมผ่านเซล์เข้าไปแต่ถ้ามันย่อยไม่ได้มันบูดเซลล์เราจะบวมแล้วสิ่งแปลกปอลอมเราจะบุกแล้วเกิดอาการกลุ่มแพ้ปวดเมื่อยตัวไม่สบายตัวหมดแรงอ่อนเพลียตอนเปือยๆตอนลุมจะมีไข้ตอนเยน็นๆนะครับ ไอ้ตรงนี้พวกนี้เป็นกระตุ้นการอักเสบรบกวนสมองทำให้นอนไม่หลับเราไม่สนิทหงุดหงิดอารมณ์แปรปวนเบือ่อไม่ทราบสาเหตุไม่เกินซึมเศร้าได้เนะาะเช้าเช้าหุ่นดีดีพอใยมาท้องพองเันปังอยู่ท้องแก่อะไรประมาณเนี้ยนะครับกินให้หมกนะครับเคี้ยวให้นานนะนี่คือตะเกียบนี่คือตะกรในลําไส้ที่ลางออกมาขณะล้างลําไส้ก็คิดเอาเองหมกอยู่ในท้องเราต้องเท่าไหร่นะครับ เป็นไงน่าไหมนี่ไมเ่ใช่ลำไส้นะครับนี่คือเมือกในลำไส้ถ้าใครนึกภาพไม่ออกไปถอดตะเดือยอ่างทอน้ําทิ้งอะ่ะที่อ่างล้างหน้าเดี๋ยวก็เห็นเราเรานี้อาการต่างๆที่บอกมานะครับแก้นิดเดียวง่ายมากเอาละเรื่องอาหารผ่านไปอาหารเหมาะสมแป้งน้อยเคี้ยวนานในอาหารเช้าเดี๋ยวเรื่องอาหารเช้าจะพูดเรื่องในการชีวิตอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราพูดเรื่องอารมณ์ก่อน เด็กคนนี้อาจจะน่ารักแต่ถ้าทำอารมณ์แบบนี้เนี่ยน่ารักไหมดูไม่ดีเลยเนาะอารมณ์นะครับทำให้เกิดอะไรต่อร่างกายบ้างทำให้เกิดเส้นเลือดหดตัวเกรง็เรงเลือนไปเลี้ยงสมองไม่พอเซลล์สมองถูกทำลายใครที่เครียดบ่อยๆเป็นอัลไซเมอร์ได้อารมณ์นะครับที่บอกว่าโกรธคือโง่ทางปัญญาภาพนี่โง่โง่จริงๆเลยนะพเพราะเลื่อนไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับ หลอดลมก็หดเกร็งออกซิเจนก็ไม่พอการย่อยก็เสียเพราะว่าเครียดปุ๊บน้ําตาลขึ้นปัม๊มขึ้นเป็นวินาทีเลยนะขึ้นพวดเลยเพราะกรรมเครียดคือต้องเตรียมพร้อมจะสู้หรือหนีต้องเตรียมน้ําตาลในเลือดมาพร้อมใช่ไหมแล้วตับอ่อนทำไงก็ต้องโหลดอินซูลินเป็นชั่วโมงเลยอย่างน้ําตาลก็ น, นั้นลงได้เครียดบ่อยๆตับอ่อนทำงานหนะักตับอ่อนหมดสภาพเป็นเบาหวานนะครับ ไม่ต้องอ้วนหรอกถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วตัวผมของนแสดงว่าเป็นคนเครียดมากนะอย่าว่าแต่เครียดแต่โกรธเลยคนไข้ผมเนี่ยรักษาเบาหวานกันมาจะหายอยู่แล้วเหลือยาแค่หนึ่งในสี่กะว่าครบหกเดือนเนี่ยจะหยุดยาให้ได้ปรากฏว่ามันัดครั้งสุดท้ายหยุดไม่ได้น้ำตาลไม่ไม่แตะเบสที่ต้องการแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น อาหารเหมาะสมชัดเจนมากจดบันทึกทุกสิ่งอย่างที่กินอารมณ์แจ่มใสไม่โกรธไม่ว่าไม่ด่าใครออกกำลังกายสม่ำเสมอไปสวนลุมทุกวันเฮียปาร์ตี้ด้วยออกกำลังกายด้วยสบายใจก็แอบถามลูกเฮ้ยแม่แกเป็นไรวะช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลูกบอกไม่รู้ที่หมอสุทติดละคนเราก็ไม่เชื่อนะเราเป็นนักวิทยศาศาสตร์เอาอย่างนี้จอดน้าตาลไปนิ้ว ก่อนและหลังดูละครสองทุ่มครึ่งกับสี่ทุ่มครึ่งสุเสาร์อาทิตย์ระหว่างดูละครห้ามกินอาหารใดๆเลยให้กินดื่มน้ําได้อย่างเดียวปรากฏน้ำตาลขึ้นแบบมีนิยสําคัญมากขึ้นแบบขึ้นขึ้นขึ้นขึ้ น, น, น, นพอเลิกดูเด่นขาดและยิ่งช่วงกีฬาสีกรุงเทพอะครับรู้จักไหมกีฬาสีกรุงเทพ <laughs> บางคอกระและเกมเสื้อเหลืองเสื้อแดงคุมไม่ได้ซักคนหนึ่งก็เลยต้องเพิ่มบอก ไม่กวดไม่ว่าไม่ด่าใครไม่ดูละครน้ำเน่ามาดูข่าวการเมืองตอนนั้นละครเรื่องอะไรนะโอ้โ ห, โอโหโดอกทองสีส้มไม่ใช่ดอกส้มสีทองขอโทษดอกส้มสีทองของโทษแรงมากแล้วแรงเงาอีกตรงโจแรงเงานี่ก็เยอะเหมือนนะครับแล้วถามจริงๆเถอะว่าความเครียดหรืออารมณ์ต่างๆมีเป็นจริงหรือสมมุติอ่าเป็นจริงช่วยเครียดเป็นภาษาษษละตินให้ผดูหน่อย ดาผมเป็นฮิบลูก็ได้อ่ะาเห็นไหมความเครียดมาติดห่วงความคิดไหมครับความคิดติดห่วงภาษาไหมภาษาคือสิ่งสมมุติที่มนุษย์สมมุติมาคุยกันไหมเราต้องคิดเป็นภาษาถูกต้องไหมเวลาเครียดเราก็จะคิดวนเวียนวนเวียนคิดทำไมว่าวาเนาะนี่นนั่นนู่นใช่ไหมครับไอความคิดมันก็ไปติดกับภาษาแล้วเราต้องคิดเป็นภาษาที่เรารู้ เราไปเครียดเป็นภาษาอื่นได้ไหมล่ะลําพีลํา พ, พันเสียใจเป็นภาษาลาตินใหญ่เลยอนะ่ะได้ไหมได้ไหยครับภาษาบาลีที่ฟังทุกวันยังยากเลยมันนั่งลําพันโกรธซาลาหล์มามันไม่ได้ใช่ไหมไม่มีอเห็นไหมเพราะฉะนั้นอารมณ์มันไม่จริงอารมณ์คือสิ่งปรุงแต่งกําลังกโกรธโกรธอยู่ท้องเสียจะโกรธไหม ่าส่วงกว่าเราปวดตึงใช่ปะ่ะมันไม่จริงนะแต่มันทำร้ายกายเราจริงๆแล้วทำทาให้จิตเราปรุงแต่งไปตามอารมณ์นั้นๆ น, น, นะครับทำให้ร่างกายเจ๊งไปทุกระบบอะ่ะทั้งสมองผิวหนังนะครับกล้ามเนื้อตึงเครียดเกรง็งนะหัวใจทางานหนักกระเพาะไม่ย่อยตับอ่อนไม่ทำงานตับอ่อนเสื่อมเป็นเบาหวานได้อาหารไม่ย่อย ระบบเสือพันธ์เสียหายภูมิตกพอทาวิจัยออกมาเนื้อแย่จะแปรไกว่าเวลาเครียดแค่สามสิบนาทีเอาไปโดนด่าแค่สามสินาทีในภูมิหายเลยนะเจาะเลือดเปรียบเทียบก่อนและหลังโดนด่าได้เลยกับอีพ่วงเนื้อไปสวดมนต์สามสิบนาทีเจาะเลือดก่อนและหลังเปรียบเทียบภูมิจะทานขึ้นนะครับทุกวันนี้เราบวกลบคูณหารใครเคยเห็นแผ่นป้ายของของของที่พลานคอยบ้าง ที่เขียนเป็นบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารตรงกลางคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายการคือความว่างว่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากการตัดสินทั้งปวงนี่คือมัชชิมาปฏิปทาเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีเราจะเกิดสิ่งความรู้สึกไม่อยากเจอเรียกว่าวิภวะตัณหาไม่อยากเจอมันเลยยังมาให้เห็นหน้าอีก เริ่มขุนเลยเริ่ม disliking เริ่มไม่พอใจอา น, นิธารมณ์เกิดขึ้นแน่เนี่ยังจะมาอีกนะอย่างไ้เห็นนี่ต้อปฏิฆาขุนเพืองใจมันเข้ามาเดินกระแทกนิดเดียวโกรธมันเลยนี่คือภพภูมิของสัตว์นรกกำโกรธจิตที่เสพอารมณ์โกรธ ถ, ถามว่าที่เราไม่พอใจเนี่ยมันเป็นจริงหรือเราปรุงความคิดของเราแล้วเราไปตัดสินใครได้ไหม เราบริสุทธิ์พอได้ยอยังที่จะตัดสินใครมาหาโจรปล้นค่าทำไมถึงเป็นฮีโร่ในสมัยในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้เสือใบเสือดำเสือมเหส่วนวีรบุรุษต่างๆโรบินพูดใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นฮีโร่ได้ที้เขาปล้นเขาขโมยเพราะว่าเขาเป็นโคที่สัตว์เขาช่วยเหลือพพวกเพกืพ่อนพ้องเอาตัวเข้าแลกตายแทนได้ บางทีเรายังไม่กล้าเข้าเขาด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นโพธิสัตว์ที่มีมิจฉาทิฏฐิหน่อยนึงเท่านั้นเองเราไปตัดสินใครไม่ได้คนที่เราไม่ชอบขี้หน้าที่สุดเนี่ยทําให้เรามีความสุขได้ในเวลาที่เขาไม่อยู่นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนากลัวนะกลัวนะครับไล่จิ้งกรรมตัญหาคือเจอสิ่งที่อยากเจอเนี่ยเจอสิ่งที่คิดว่าดีเนี่ยอยากจะเจอนะ โอ้โหพ่อครูมาเนี่ยต้องมาทําบุญกับพ่อครูนะมาอยากเจอดีมากเลยปรากฏว่ามี ส, มสามีบอกไม่ให้มามาทําไมเธอโกรธสา ม, มีซะอย่างนั้นทําไม่ดีทุรเร็วมากเลยนะเนี่ยต้องมาทำบุญกันทําไม่มาให้มาขัดความบุญเป็นยังไงล่ะเห็นไหมทําบุญถวายข้าวพระพระฉันไม่ได้เหนียวไปอะไรไปไม่เหมาะมาพระพระยกให้ลูกศิษย์มองตามบูบุญตัวไปนู่นแล้ว <S <S <S <S ฉันหน่อยนะหลวงพี่ฉันหน่อยนะ ทำสวดปีมือ น, นะเจ้าค้าขาดฉันไม่ได้ก็ยกไปเรียบร้อยนะครับทำบุญติดบุญโลกบุญทำดีติดดีโลกดีแล้วไปเพ่งโทษพู้อื่นว่าไม่ดีนะครับก็กลายเป็นโลกโลกก็คือเปรตอสุรกายนะครับเคยเห็นไหมเวลาที่เรา เทศกาลกินเจเนเจอรบ่อ ย, อยนุมขาวผมขาวไปกินเจ อ, อยู่โรงเจเฮ้ ย, ยปีนี้เลิกกินเจไหม อ, อ่าเ์ตีไม่กินเลอ้กินเจอเจออะไรโอ้กักินโอ้เลือดเป็นคงไม่ดีนะนี่เทพเจ้าจะลงมาจากสวรรค์นะเราจะตัดสิงมนุษย์นะเราจะส่งไปให้แย ก, กเชียงห้องเต้นนะถ้าเลือไม่กินเจเดี๋ยวเลือดตกในโลกนะเอาเธอตำใบามากไปอยู่สวรรค์ก็มากผมไม่ไปอะตาใบทําใบนะครับ กินเจเอาใจเจ้ า, น, านุ่งขาวนิทราคนอยู่เต็มโรงเจไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเทพเจ้าไม่งงนะครับทำชั่วทั้งปีทำดีสิบวันอย่าหวังว่าจะลบล้างกันได้นะกินเจก็คือการกินปักทุกชาติทุกภาษามีกุศโลบายให้ล้างพิษอิสลามมีอลไรรมฎอนอดล้างพิษเพื่อเตรียมร่างกายจิตใจให้พร้อมตอนเย็นตัว ต, ตงดินเขาไม่กินเยอะนะเขากินแค่ ไอ้อินทผลามสามเซิเมตรแล้วกินน้ําตามจบละหมาดสวดมนตวน์เตรียมกายและใจให้พร้อมให้ให้ภูมิต้านทานดีที่สุดเพื่อที่จะไปมักกะไปพิธีฮะต้องไปโอ้ยตั้งเต็นท์นอนรอบหินกระบะนั่นแหะนะนะถ้าไม่ฟิตจริงทะเลทายขนาดนั้นเนี่ยกัางวันร้อนกลางคืนหนาวที่อยู่ได้ไหมไม่ได้มีศรัทธาและกายฟิตพร้อมไปได้กุสโนบายนะครับจีนก็มีลเจียชาย พุทธเราก็มีอะไรวันธรรมสวระวันพระนะครับอาจจะวันพระใหญ่เดือนละครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งไปถือศีลแปดวิการละโภชนาเวมารมณีใช่ไหมครับกินแต่มือเช้าก็ยังได้มือเดียวก็อยู่ได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตรงนั้นนะเอาละทั้งสายกลางคือไม่ตัดสินไม่พิจารณาไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดสิ่งใดที่เกิดขึ้นแค่เกิดขึ้นจะแชพิ่ง losing แ n d ด์วิ i n g l e s s แปลว่าไม่มีอะไรไม่มีความหมายเราไ่ให้ความหมายมันเองสมัยก่อนโบราณการตอนเราเด็กๆถ้าใครมาใส่อย่างนี้กับเราเราเป็นไงครับโอ้โโกรธร้อยปียมบดีร้อยชาติสมัยนี้เป็นไงนคไลิกไลท์เห็นไหมล่ะสัญลักษณ์อย่างเดียวกัน <c oughs> ผ่านกาลเวลามันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับเห็นไหมคิดเอาเอง นะฝรั่งนี่ตบหัวได้แต่ห้ามตีก้นตีก้นนี่แปลว่าความหมายแบบนั้นขอกระทำกันแบบนั้นแต่คนไทยนี่ตีตูดได้แต่อย่าตบหัวได้ต่อยกันแหละเห็นไหมนะครับกายเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ควบคุมอยู่ที่เรียกว่าจิตจิตคืออะไรจิตคือ พลังงานเกิดด like ับกลุ่มหนึ่งที่เรียนรู้ได้เก็บข้อมูลได้ให้นึกถึงดิจิตอลรู้จักดิจิตอลไหมครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่อะไรก็ตามเรียงกันเป็นทางเนี่ยเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลเรียงสลับสับเปลี่ยนบันทึกข้อมูลเป็นแสงเป็นครื่อแสงเครื่องเสียงเป็นภาพได้เราบันทึกข้อมูลใส่โทรศัพท์นะอยู่ในซิมเอาซิมไปเสียบเครื่องอื่นปรากฏเป็นชื่อเป็นภาพได้ใช่ไหมแต่ถ ไม่มีอะไรหรืเห็นไหมจิตก็เช่นกันจิตก็ทํางานเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับกิดดับด้วยความเร็วสูงมากอยู่ในความเร็วสูงจนต้องเป็นวงอยู่ในความวงกลมหรือว่าดวงจิตจิตบันทึกข้อมูลเป็นอารมณ์อารมณ์เข้ามาบันทกในจิตจิตสวยอารมณ์ปรุงแต่งเข้าไปอีกก็เป็นภพชาติถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราตายโครงในขณะที่จิตกําลังสวยอารมณ์อะไร เช่นกําลังอิ่มบุญแล้วตายโคมจิตสวยอารมณ์บุญก็ปรุงแต่งภาวะจิตให้เป็นเทวดามีกายทิพย์วิมานทิพย์อาหารทิพย์อาพรทิพย์ขึ้นมากําลังเข้าฌานตายจิตก็ปรุงอยู่ในอารมณ์ของพระพร وم. กําลังกโกรธตายก็เป็นสัตว์นรกกาลังหลงเต้ น, แ ล, แ, ต น, นแล้งเต้นกากินเหล้าเมายาก็เป็นเดรัจฉาน อยู่ในสีก็เป็นมนุษย์สามเป็นพวกปูวิ่งวนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยด้วยจิตเสวยอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าจิตได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มสบันทึกอยู่สิ่งที่เก็บไว้เนี่ยที่เราไปเสวยมันเนี่ยพบชาติเนี่ยมันไม่จริงมันเป็นแค่อารมณ์ที่เข้ามาในจิตนั้นถ้าจิตได้เรียนรู้มากๆเข้ า, ขาจิตก็จะวางวางวางวางวางจนกระทั่งจิตเป็นอิสระจากความยึดในอารมณ์ทั้งปวง เมื่อนั้นถามว่าจะมีแรงห่วงใดทําให้จิตต้องมาเสวยอารมณ์อีกไหมจิตก็เป็นอิสระหลุดพ้นไม่ต้องมาเสวยอารมณ์อีกคือ ก, การบรรลุนิพพานการเข้าสู่ก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมการที่เราเข้าไปเรียนรู้จิตในจิตไ ด, ตได้ก็มีหลายวิธีบางท่านจะใช้วิธีนั่งจนทรมานจนกระทั่งจิตมันหูมันไม่ไหวแล้วมันก็วความคิดมันเอาไม่อยู่แล้วอ่ะมันก็จะดีดผึงเข้าไป บางคนพอเข้าไปในจิตนิจิตนะครับวิธีที่เข้าไปที่ง่ายๆก็คือทําความคิดให้ดาวลงมากที่สุดคือทําความคิดที่มันปรุงแต่งสมมุติเนี่ยให้หายไปซนะจิตเดิมแท้ก็จะปรากฏด้ยการเข้าสู่แรงธรรมชาติคือแรงมุ่พอเข้าสู่จิตนิจิตไปเจอธรรมในธรรมธรรมารมณ์ที่เาเคยบันทึกไว้ก็ไปเห็นอดีตชาตินี่แหละอดีตชาติเป็รื่มชาติไม่ได้เรื่องที่ว่าเป็นอะไรที่โอ้โหต้องลงข่าวหน้าหนึ่ง เ ป, เป็นเรื่องปกติเป็นยานทัศนะแรกที่พระเจ้าท่านสอนไว้คือบุพเพนิวสานุสติยานยานอย่างรู้สัญญาในอดีตชาติวิชาที่หนึ่งถ้าเราเข้าไปเรียนรู้อดีตชาติแล้วเราใช้มันเราแสดงให้มันปรากฏออกมาแล้วสติสัมปชัญญะของเรามองเหมือนกับใช้กรรมก็คือแสดงอารมณ์ตรงนั้นชดใช้อารมณ์ตรงนั้นเข้าไปคือเคลียร์ให้หมดหมดหมดหม ด, หมด จิตเราก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นแต่บางคนเนี่ยจิตปัจจุบันอ่อนแอเหลือเกินจิตในอดีตชาติฉันเป็นเจ้าแม่เลยนะเว้ยก็ไปยึดติดเป็นเจ้าแม่อยู่ข้างในก็เป็นส่งเจ้าเข้าพีไปนะครับต้องเข้าไปเรียนรู้เพื่อจางคลายแต่บางทีมันยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนจิตปัจจุบันนี่อ่อนแอจริงๆพอเข้าไปเจอความยิ่งใหญ่ที่เคยมาแล้วใหญ่แล้วยังไง้วตายไหมทําไมใหญ่แล้วไม่ถึงตายอ่ะ ทำไมต้องมาเกิดอีกไหลหลายรอบหลายหชาติอะ่ะเมื่อเห็นพพชาติความเบื่อหน่ายแรงคลายมันจะเกิดขึ้นยังอยากจะเกิดกันอีกเหรอยังอยากจะมาทุกข์อีกเหรอชาติปิทุกข์ขาชาลาปิดทุกข์ขาวันน้ำปิทุกข์ขังเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์กายของเราก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราจริงๆทําไมเราบังคับให้มันหนุ่มตลอดเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับ ยืนให้นิ่งยังไม่ได้เลยยังโยกเยกโยงเยกเลยแน่จริงยืนชิดเท้าหลับตาดิวงเพลงวงเพลงวงเพลงล้มเอาเห็นง่ายเห็นไหมเมื่อเราเข้าไปเรนรู้จิตในจิตแล้วเนี่ยจิตเราเป็นอิสระระดับหนึ่งคลื่นจิตเราจะสะเทียนขึ้นเราก็จะรับรู้คลื่นกระทบทั้งหมดของโลกของจักรวาลของผู้อื่นได้มันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่ารู้จิตรู้ใจผู้อื่น เจนตัวระยะยาวเราก็แค่สัจธว่ารู้สัจธว่าเห็นแล้วก็พยายามเคลียร์ให้มันผ่องใสขัดเกลาจิตให้ผ่องใสพระองค์ท่านไม่ได้สอนอะไรเยอะใช่ไหมจะบอกว่าแปดหมืนสีพันพระธรรมขันธ์ไม่จําแต่รู้ว่าพระองค์สอนสามเรื่องโอวาทปาติโมกข่านว่ายังไรทําดีและชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสถูกไหมครับกกอุปกรณ์ในการทําดีคือทานให้ทานให้เพราะให้ไม่ได้ให้ว่าะจะเอา แต่ทุกวันนี้เราให้ทานเพราะจะเอาเอาความสุขจากการให้ทานเอาบุญจากการให้ทานทานก็เป็นบารมีแต่ก็ยังมีเป็นหนึ่งในบารมีสิบทัศแต่ก็ยังมีสามเลเวลใช่ไหมทานบารมีทานโบารมีและทานปรมัตถบาร ม, ารมีถูกไหมครับทานให้จากสลัดออกจาค่าสลัดออกอยังเสียดายบ้างเล็กๆหรื อ, อยังอยากจะได้อิ่มบุญกับตรงนั้นก็ยังเป็นบารมีต้ น, ต น, ตน แต่ถ้าไม่มีทั้งผู้ให้และไม่มีผู้รับมิแต่การให้นั่นคือปรมัตาภพรมีทานเป็นทานที่สุญญาตาคือไม่มีสิ่งใดตอบแทนไม่มีมิแต่ผู้ให้ไม่มีมิจฉาผู้รับเมื่อ น, นั้นก็จะบริรสุทธิ์ศีลออุปกรณ์นในการละชั่วคือศีลศีลเป็นข้อบ่งห้ามแต่ศีลในมรรครวมไปก็มีอยู่สามข้อ สีน5้าสินแดสิน10สินสีเมันเป็นสีนที่เรียกว่าเป็นข้อกำหนดแต่ทุกวันนี้เรามาทำเป็น ISO อะครับเช็คลิสต์ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดแล้วมาเพ่งโทษกันแล้วมาบอกว่าสิน5้าจะอยู่ได้แค่นี้สิน8อยู่ได้แค่นี้สีน10มีสิทธิ์เข้าไปลึกขึ้นสินร้อีไปนั่งวนเจดีย์ได้ย่าอยีงมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ศีลแบ่งก็เป็นแบ่งเป็นสเลเวลโดยประมาณ สีเลนะสุขะติงยันติตอรับศีลพระท่านว่านี้ใช่ไหมรักษาศีลแล้วมีความสุขก็คือไม่เบียดเบียนก็มีความสุขเห็นยุงอยากตกไม่เป็นไรเรากินกุ้งกิ น, อก น, กนกกหอยกินปูยุงกินกูก็ให้กันเนียมากันกูก็เล้ากันนะกบบูเปล่าจาคัง <c oughs> นะสีเลนะสุขะติงยันติสีเลนะโคละสัมปทาก็ยังไม่บริสุทธิ์พอ หรือสินแล้วหน้าตาแจ่มใสมเพื่อนทักดูดีมีเรียกว่ามีพกทัพย์สรรเสริญก็ อ, อยากรักษาสินก็ยังมีอาวุธในการตรงนั้นอยู่สีเลนะนิพุติงยันเตศินป ร, า ม, าาปรมัททบกรมีสูงสุดกับสู่สามัญสินเป็นไปเพลิภานไม่ต้องรักษาสินครับเพราะสินจะรักษาเราโดยปริยายถ้าเราปกติจะไปเบียดเบียนใครก็รรไม ถ้าเราปกติแล้วเราจะไปอยากได้อะไรใคไรไหมจะไปอยากเสพนู่นเสพนี่เสพนั่นไหมจะปิดบังตัวตนไหมว่าอุ้ยเอาพร็อกมาใส่ออื <c oughs> ฉันเป็นไฮโซวรนนบีไฮโซฉันจะเป็นหมอฉันอย่างนี้แล้วจะทําไมละ่ะนะใครจะชื่นชมจริงชังไม่ใช่ท่านที่เราสั ก, กหน่อยเป็นท่าที่คนอื่นเขาอยากจะเชื่นชมจริงชังเรื่องของเขาเราอาจจะน้อมรับโดยสมมติบัญญัติขอบคุณครับขอโทษครั บ, บ, รบแต่จิตเราไม่ฟูแล้วไม่แฟม นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขัดเก่าจิตที้ผ่องใสก็ขัดเก่าไปสิก็ล้างไปสิเข้าไปจิตในจิตไปล้างข้อมูลเก่าทิ้งซะไปแสดงอารมณ์จิตบางทีมันจะโผล่อะไรไมาให้เห็นจะมีอภิญญาหรือก็ะชังหวมันเถอะนะก็แค่นั้นขัดเก่าจิตใี่ผ่องใสเดี๋ยวก็หมดเมื่อจิตเข้าไปจิตในจิตเรา ไปเห็นความไม่เที่ยงของตัวตนแต่ละภพรรชาติเราก็วางตัวตนสัญญที่ตัวตนไม่มีสัญญอข้อที่หนึ่งผ่านไหมจะสงสัยไหมว่าภพชาติมีจริงอันดีนะนะคตมีจริงไม่สงสัยสัญญอข้อที่สองผ่านจะต้องไปไหว้ต้นมะกรูดขดูต้นมะขามขอบวชขออะไรไหมศิลปตาปามาตไม่มีสัยญอข้อที่3ผ่านผ่านสัญญอสามข้อติดคอลิไฟโซดาปะเรนัคโสดาปะเรนผลอายุบุคคลชั้นต้นไม่ตก อ, อบายได้แล้ว แล้วที่แหละสงสาวุของพระผู้มีพระเจ้าผู้สมควยในการต้อนรับบูชากระทำต้องศีนาทานเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าที่เราสมมติธรรมวัเย็นกันจำได้ไหมสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสงสารุของพระผู้มีพระเจ้าหมู่ในปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแล้วยายักปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเพื่อออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแล้ว ยากที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัดตาริปุริสายยุคานิอัฏฐาปุริสังขุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเป็นตัวบุรุษเต็มปบุรุษเอศพระควาโตสาวกสังโคนั่นแหละสงเสาวของพระมุรพระเจ้าสี่คู่แปดบุรุษคืออะไรคือโสดาปฏิมาจนถึงอรหัตผลโสดาปฏนมาโสดาปฏิมาคืคู่ที่หนภิกษุภิกษุณีวาสกุบสิกาเป็นเพียงผู้แสวงธรรมตามมา เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นผู้จัดลงศาสนายังไม่ได้ติดคุณลิฟายแต่เราก็ถือว่าภิกษุพิษุณีพวกบวชสนะแล้วซึ่งการคองเรือนก็โอเคละนับถือและสเปกยอมรับท่านว่าท่านเป็นผู้ศสนาแล้วเป็นสมมุติสงฆ์ก็จรงิงลาจากการคองเรือนแต่ดันมากลายเป็นการคองวัดนี่ก็อะไรายอยู่นะพุทธบริษัทก็กลายเป็นพุทธบริษัทจำกัดมหาชน รวมคนได้เยอะเท่าไหร่กูชนะกูแน่นะกูเอาแผง อ, อะไรมากัน้นตรวจได้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะครับพอเข้าใจนะก็ขัดเกาียวจิตเทพองใสไปเราก็ดูแลกายดูแลจิตไปกายฟิตก็จิตเฟิร์มเซลของเรานะแต่ที่เราปฏิบัติเราไม่ได้แต่จิตอย่างเดียวเราได้กายด้วยนะครับเซลของเรา ประกอบไปด้วยน้ำตัง้ง็สิบปอซ็นใช่ไหมถ้าน้ำปล่อยนิ่งๆตกตะกอนไหมเซลลของเราก็จะตกตะกอนเป็นผังผืนเป็นเหนียวหนึ ง, นงถ้าเราได้เขยา่าเซลล์อย่างงี้ครับก็โปรได้ดีหายใจได้ดีออกกำลังกายก็คือการทำอะไรก็ได้ที่ให้มีการเขย่าเซลล์อย่างน้อยสามสิบนาทีไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องไปเถียงกันว่าออกเช้าออกเย็นมันมีข้อมูลเหตุผลอยู่สามสิบนาทีนะครับ เพื่อการเผาผลาญเพราะเราจะใช้น้ําตาลในเลือดเนี่ยประมาณสามสิบนาทีแล้วถึงจะเผาไขมันต่อถ้าเราต่อให้เนื่องได้หน่อยหนึ่งเราก็ได้เผาไขมันถ้าใครเอาสามสิบนาทีไม่ไหวให้ได้ครึ่งชั่วโมงก็ยังดี น, นะนะก่อนอาหนเช้าตอนเช้าน้ำตาลในเลือดน้อยสุดบางคนโพสต์มาในอโซเชียลเน็ตเวิร์กบอ ก, บ อ, กออกกำลังกายตอนเช้าตับจะทํางานหนะัก <c oughs> ไม่ได้เถียงทํา ง, งานหนะักเพาต้องขับพิษ เขาขรานจะขับไม่ได้ของเก่าอ่ะหรือจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มเออคิดเอาเองก่อนค่ําเพื่อสร้างกล้ามเนื้อตอนเช้าเราเบิรนใช่ไหมทําทุกวันเบิร์นอาทิตย์ตอนเช้าเดี๋ยวเราฟังหนึ่งในการชีวิตก่อนค่ำเนี่ยคือการที่สร้างกล้ามเนื้อเพรว่าเป็นช่วงเวลาที่ ร, ร่างกายเคลียร์พิษได้เร็วสุดพวกแอมโมเนียจะออกเร็วสุดเราก็จะมีไม่ต้องปวดเมื่อยมากใครยากเป็นนารีกรรมยำัง ก็เสริมกล้ามตอนบ่ายแต่ทําได้อาทิตละสองวันเขต้องพักกล้ามเนื้อสามวันโดยประมาณนะครับเม็ดเลือดเราเนี่ยเข้าเส้นเลือดฝอยทีละเม็ดบางคนจ่อเลือดปลายนิ้วเข้ากล้องดักฟิลมาคนสโหนออกมาเป็นมัดเลยถ้าเราได้เขย่าเขยาเยาเขย่ามันจะเข้าดีไหมเหมือนเราอาลูกปัใส่ถาดแล้วเขย่าเขย่าขยามันก็เรียงเป็นระเบียบใช่ไหมนี่แหละทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะครับนี่หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับ นาฬิกาชีวิตก็คือการที่พระอาทิตย์ขึ้นตกจริงๆพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นตกหรอกเราขี้ตุ๋อีกแล้วโลกเราหมุนไปหาพระอาทิตย์ต่างหากแต่ไม่เป็นไรขี้ตู๋ไปก่อนนะตอนตอนนี้อ่ะค้าข้าวๆ้าวให้อาหารเล่นๆไปก่อนตอนเช้ากระเพาะทางนานหนักสุดเจ็ดถึงเก้าโมงต้อเป็นเวลาที่เรากินอาหารเช้านะครับอ่ะมาดูตอ น, นนี้ก็ได้วงรอบนาฬิกาชีวิตคือการหลังฮอร์โมนที่ไม่เท่ากัน ของแต่ละช่วงเวลาตามมุมของโลกและภาทิตฐาตอนเช้าเราตื่นเซลล์ก็ตื่นเราไม่ตื่นเซลก็ตื่นกระเพาะต้องทำงานเพ่วย่อยเพื่อเอาส่งพลังให้เซลล์ต้องเติมพลังอาหารเช้า7จ็ดถึงถ้ากินได้เหมาะสมถูกต้องเียนพอตามที่สมองสั่งมาสมองบันทึกว่าได้แล้วจับไม่อยากกินอีกครูบาอาจารย์ฉันบันลลัมือ้อเดินป่าทั้งวันข้างขอบไปลูกๆไหวไหมได้แต่ถ้าเช้าไม่กินสมองบันทึกว่าขาด มันจะสั่งให้สะสมแต่ถ้าเช้าไม่กินสมองทีง่พวกขาดต้องการแล้วไม่มีก็จะไปยืมของเก่าไปดูดขอ ง, ของเก่าใน้ำลำไส้มาใช้ก่อนพูยง่ายคือเช้าไม่กินอาหารก็รับประทานอุจจาระโดยอัตโนมัติคิเดเอาเองครับจะตื่นกินข้าวหรือจะนอนกินอะไรอย่างนั้น <c oughs> เมื่ออาหารย่อยในกระเพาะแล้วสามชั่วโมงครบก็เลื่อนต่อไปที่ลำไส้เล็กไปดูดซึมผงปานร้อนความร้อนเกิดขึ้นต้องดื่มน้ำเยอะ นะครับเมื่ออาหารผ่านการเผาผ่านเรียบร้อยก็จะดูดซึมไปซ่อมแซมให้เซลล์ตะวันตกดินแล้วเราต้องทำอะไรครับต้องพักงดกินหนักงดออกกำลังกายคนับเพราะกำลังจะซ่อมแซมตัวเองแต่ถ้าเข้าสมาธิดรานจิตตังไม่เป็นไรเพราะจิตจะกายไม่เกี่ยวกันนะครับ เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วก็ต้องเอาของเหลือออกก็ต้องขับพิษออกตอนนี้ต้องหลับตีหนึ่งตีสมตับขับพิษถ้าไม่หลับตับพังเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดพระพุทธองค์ท่านก็บรรลุปัจฉิมยามในช่วงนี้พระบาทเดียรจะอยู่หัวในกันที่เก้าท่านก็บรรลุนในช่วงปัจฉิมยามนี้เช่นกันตลอดประชวรชีพแค่สองชั่วโมงต่อวันเรานี่กินอย่างประหยัดหมอนนอนอย่างประหยัดนุ่นระบบทํางานเหนื่อยไมเดเซียของพระองค์ท่านเลยนะครับ ทีห้ 5, 3, ถึงที่3มหรืี่5เป็นเวลาของปอดนกร้องไก่ขันที่4โดยประมาณเอ็ก c i เซอร์ไซปอดพัตื่นที่เอ็กเซอร์ไซปอดส่วนบนทรว่าเช้าพระพุะธองค์ตัดไว้ดีแล้วที่5าขับพิษจากลำไส้เข้า้น้ำขับถ่ายแล้วก็เห็นลายมือแสดงว่าพรที่ขึ้นก็ออกมอร์นิ่งวอ k บิณฑบาตขาไปก็วอร์มอัพหน่อยเดินแวะตามบ้านย น, านยงแวะไปแวะมาากลับกเดินยาวยาวยากับก่อ เล่นดัมเบลมาลูกเดือยหนักกันหนักร้อนตันอนแดโมงนเช้า9ก้ามงเลิกแล้วก็อยู่ทั้งวันไม่กินอะไรแล้ววิการและโวชนะบ่ายก็มีน้ําปานนะไม่ใช่ปานนึกปานะคือคิ้ลานะเภสัตรแปลว่ายามีฤทธิ์เป็นยาเช่นมะขามป้อมทุกคุณลูกสมอมะม่วงขั้นสดเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะจะเคี้ยก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอเราไปแปลบาลีว่าลวงลำคอต้องไม่เคี้วก็มีปานึกนมูนตินไบลรมน้อง ท า, าก็เลยสั่งกระจายกันทั่วหน้านะครับเห็นไหมพอตอนมาตกดินก็สวดมนต์ทําวัดเย็นสี่ทุ่มจำวัดนะครับเห็นไหมแค่นี้เองในการชีวิตง่ายไหมง่ายมีสองวิธีที่จะไม่ต้องทําตามนาฬิกาชีวิตหนึ่งคือมีพาธิพงศของตัวเองสองก็คือไปย้ายไปอยู่จักรวาลอื่นซะไปไปเล่นตรงนู่นเลยนะครับ เฮียนะก็ดูแลกายไปตามนี้นะครับตามที่ธรรมชาติกำหนดมาหมอไม่ได้เป็นคนกำหนดนะบางคนบอกโอ้หมอผมไม่มีเวลารักมนตรีเคยผมดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศหลายคนนะครับลงปูเนี้กเคยดูันอยู่หมอผมไม่มีเวลามันยุ่ง ม, มันนู่นนี่ไม่ใช่ลงตูนะคนอื่นท่านครับ คือจะเป็นเบาหวานแล้วหล่อมล่อระบบเหนื่อยมากอาการไม่ดีเลยปวดเจ็บหน้าอกฉันเลยจะตีมแล้ไม่ตีบแร้วบอกผมจะจะแจกวิตามินให้ท่านนะครับจะล้างหลอดเลือดให้นะเข้าโปรแกรม น, น, น, นี้นี้นี้นะครับแต่ท่านต้องตื่นเช้าขับถ่ายออกกำลังกายกินอาหารเช้านะครับดูแลตัวเองตรงนี้นิดนึงแล้วตงอวันจะทําอะไรก็ทำโอ้ไม่มีเวลาหลงหมอผมยุ่งนู่นนี่นั่นผมทํางานอย่างนี้ด้วยความเคารพครับ ท, ท่านท่านดูแลประเทศบริหารธุรกิจ บริหารชีวิตตัวเองแค่นี้ไม่ได้ไงครับเจอหมอเช้าไปไปไม่เต็มเงิ น, นกำลังอึ้งกําลังกําลังแบบโกรธดีไม่โกรธดีวะเครื่อนดีไม่เครืงดีวะกําลังสับสนก็อีกดอกหนึ่ง อ, อยากเป็นเศรษฐีบนรถเข็นเงาเลยครับท่านผมหมดหน้าที่แล้วท่านจะชอบไม่ชอบไม่รู้ผมหมดหน้าที่แล้วตรงนี้จบอายแน่นะหมอไม่มีแล้วร้อยเปอร์เซนตวงการแพทครับขอเก้าสิบห้าเปอร์เซนท่านต้องดี่ขึ้นภายในสมเดือนหกเดือนไม่เกินหกเดือนท่านต้องดีขึ้นแน่ ไม่มากกว่าเก้าสิเปอร์ซตเาตามตามดีขึ้นจริงๆแต่กิษิศัพท์ผมหมอวัชราก็ลืมหรือไปไอ้มอมันปากร้ายมันมันซัดตรงๆงไม่เกรงใจผมที่เกรงใจทำไมผมไม่เอาใจใครหมอจริงไม่ค่อยเอาใจใครอยากมาหาผมถามมีคำถามคำถามหึงเลยผมถือเป็นการเรียกว่าเซลล์แอสเซสเมนต์หรือเป็นการสะกดจิตคนไทยผมถามคำแาแรกเลยอยากหายจริงปะ อุ้ยหมออยากหายซิหมอถามเงี้ยเหมือนจะกวนตีนครับแต่ถามจริงอยากหายจริงวะจะ า, าหายอยากหายแน่นอนไม่งั้นไม่มาหาหมอหรอกแน่ใจนะนี่ตอบไปอีกดอกจริงนะอา้าวตัดยังปิไม่ยังพันเต้ต้องเราสามดอกตามที่ผู้ทรงนั่นบอกมาเพื่อที่จะผมก็จะตอบว่าบอกว่าคําถามที่ผมถามผมไม่ได้ถามเพื่อตัวผมเองผมไม่อยากได้คําตอบไม่ต้องมาตอบผม ตอบตัวเองว่าอยากหายทิ้งเปล่าวันหนึ่งที่จะไม่ทำตามเงื่อนไขวันหนึ่งที่จะทำนอกรู น, นอกทางกาัลลุณาถามตัวเองด้วยคำถามนี้ไม่งั้นก็ไปปรึกษาจเจ้าว่าก็าปรึกษาผมจองเอาไว้เพื่อไม่มีคิว <c oughs> นะครับก็เป็นอะไรที่ลูกศิษย์ลูกหากลัวมากกับหมอัญชาเนี่ยสัดกันงตรง น้ำตาลูนตาเล็แต่รู้สึกผมถ้าจะมาเรียนกับผมเงื่อนไขแรกจะมาเรียนกับผมไปพลันค่อยให้ได้ก่อนหนึอาทิตย์ถ้าผ่านพลันค่อยมาไม่ได้ไม่ต้องมาเรียนกับผมเพราะจิตคุณไม่พร้อมแน่ผู้ศึกษตรงแน่นอนผมเอาคนตรงเอาคุณตายอนะ่ะเอาคุณต้องดูแลสุขภาพผู้อื่นผมบอกข้อสอบนักเรียนปริญญาเอกคนหนึ่งผมไปสอนที่ธรรมศาสตร์เป็นนักเรียนปริญญาเอก เอ่ออินเทเ e ตทีมเมดินน้ำหนักร้2ยิบสองโลผมบอกไม่ต้องทำอะไรมากคุณวางแผนดูแลตัวเองประเมินตัวเองมาแล้วคุณลดน้ำหนักให้ได้ถ้าเดือนให้เวลาเดือนหนึ่งท้านลดได้ไม่ได้สี่โลผมให้ตก mm. เอาเมื่อตัวเองดูแลไม่ได้มีหน้าดูแลชาว บ, บ้านเ้ามันทำได้จริงๆกลัวตกกลัวตกครับไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็ดีขึ้นครับโอเคนะครับ กายกับจิตมันอยู่กันอย่างนี้เมื่อเราทําจิตเราไม่ยึดมั่นกับตัดสินอะไรแล้วเนี่ยมันจะทํางานด้วยจิตว่างว่างจากความยึดมั่นใครจะชื่นชมชิงชังก็ต้องเปนคนสนใจทําหน้าที่ทำเพราะทำทำเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตผลงานที่ได้ก็ร้อยเปอร์เ็นต์ทเหตุปใจใัจจัยถึงพร้อมจะได้อะไรมาก็เท่านั้นแต่เราไปกังวลนู่นกังวลนี้มันเสร็จไหมไม่เสร็จแล้วจิต จ, จะไปติดอะไร พยายามขัดเกลาไปอะไรที่เกิดขึ้นคนไข้ผมนะบางคนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหรอกแค่จิตพิ่ตกคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นตรวจร่างกายหมดทุกอย่างไม่เป็นอะไรจริงๆแต่เขาบอกเขารู้สึกไม่ดีผมก็ดูในจิตเขามันสับสนมากกังวลนู่นกงนี่นบอกไปวิ่งส่งไปศูนย์แบบนี้แต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนก็ โดนหมอกันชาส่งมานะครับหลายคนก็ปวดชีไ้ไปแล้วไม่รู้นี่ไม่รู้ทางครอบครัวจะบอกว่าเลยแต่ก็หน้าที่ของเราชี้ทางหมอเป็นโค้ชกับดีไซเนอร์หมอไม่ใช่เทวดาเทวดาก็เสกเราหายวยไม่ได้กรรมใครกรรมมันแล้วถ้าได้พูดสามรอบแล้วเตือนสามรอบแล้วยังไม่ทําก็ตัวใครตัวมันอนธะิฐานราขาดไม่ได้เจออีกเลยต่อให้ได้คิวนัดก็ไม่ได้เจออีกเลย ไม่ได้หนีด้วยไม่เจอนะครับเห็นที่สถานราคาจริงจริงนะปัจจัยสุขภาพมีแค่นี้ทําได้ไหมกายกับจิตแยกกันโดยสิ้นเชิงนะอย่าไปยึดติดกับกายมันมากเจ็บปวดเป็นเรื่องความคิดเห็นไม่ใช่เรื่องจริงขนาดเจ็บปวดยังไม่เรื่องจริงเลยมีดบาดนิ้วเจ็บไหมกำลังเดินไปหายาใส่เหยียบตะปูเจ็บอะไรอ้าวแล้วนิ้วไปไหนแผลยังอยู่ เออนั่นสิกำลังเจ็บเท้าอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลูกตกกระไดเจ็บไหมเออเออหายไปไหนวะเห็นไหมจิตมันเป็นจับไงเราก็เลยเจ็บบางทีเราไปเจอช้าเจ้ามรอยเขียวดูอะไรมาวะรู้ตัวไหมรู้ตัมาเจ็บที่หลังอดโอยนะครับก็คิดเอาเองอย่าให้จิตถูกหลอกเพราะวันนี้จิตเราถูกหลอก ด้วยความอยากด้วยอะไรต่างๆด้วยอารมณ์ต่างๆนะสร้างกรรมอะไรไว้ก็ใช้มันไปเดี๋ยวก็หมดมันสร้างกรรมใช้กรรมมานานแล้วร้อยยี่สิบดวงจิต ท, ที่บอกว่าดวงจิตมีมตร้อยยี่สภาคก็คือเราสร้างกรรมใช้กรรมเป็นใช้บุญเป็นเทวาดาใช้กรรมเป็นเดรัจฉ า, านก็ใช้มหมดแล้วในโลกมนุษย์นี่ก็สร้างกรรมใช้กรรมกันมา <c oughs> มันเหลือจริงๆไม่กี่สิบข้อมูลหรอกเคลียร์ๆมันสารางเดี๋ยวก็หมด เมื่อหมดแล้วจิตมีสละเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรพูดไปก็เท่านั้นปฏิบัติกันดีกว่าใช่ไหมแต่การดูแลกายของแค่นี้สามข้ออยู่ประเทศไหนใช้พราทิศประเทศนั้นนะครับแป้งน้อยเคี้ยวนานนหสันเช้านอนกลอนเช้าทุกวันจะนอนแบบไหนเรื่องเอาจะอยู่ยังไงเรื่องเอาตัวใครตัวมันนะครับก็ มีแค่นี้ใครอยากถามอะไรไหมให้เวลาหนึ่งนาทีคุณหมอที่ขอถามเรื่องเป็นไหมครับครับเรื่องอาหารเึ้นแป้งกับที่วิธีาการตอนนี้ที่ว่าทานผลไม้ก่อนอาหารหรือหลังอาหารใช่ไหมผมให<ร> <c oughs> ้หตวอย่างนี้มีคนถามว่ากินผลไม้ก่อนหลังอาหารคือพวกเซตโซเชียลเน็ตเวิร์กฟังดีนะแป้ง ข้าวมีน้ําตาลที่เรียกว่ากลูโคสการดูดซึมของกลูโคสคือแอคทีฟทานสปอร์ตคือยัดเข้าไปให้หมดคุณกินเท่าไหร่ใส่หมดเลยโอเคนะฟังดีกู ose, น้ําตาลผลไม้เป็นน้ำตาลฟุกโตสมุกโต้มีคุณสมบัติต่างกันกับกลูโคสแม้กระทั่งหน้ามันเหมือนกันก็นกตามแต่มันบิดเกลียวคนละข้างฟุกโตจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเท่าที่อยากได้ที่เหลือทิ้งเอาละเรามาดูเหตุผลกันนะ ท้องเราว่างน้ําตาลเราต่ํามากฟุกโต้มาถึงสูบงวกเข้ามาเต็มเลยแล้วก็ต้องไปนคอนเวอร์ทที่ตับเพื่อให้กายเป็นตัวแอคทีฟใช้งานได้ตับทํางานหนักไปดอกหนึ่งกินข้าวตามยัดน้ําตาลเข้าไปอีกเกินแล้วกันนี้แล้วก็เก็บเป็นไขมันน้ําตาลเกินเก็บเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลแต่คอเลสเตอรอลไม่ได้มาจากปลาหมึกกุ้งไข่แดงมาจากน้ําตาลแป้ง นะให้บอกอู้กินบัมบ์เยอะๆโคเลตอนขึ้นแต่เราไม่รู้จริงนั่นแะตรงกันข้ามกินอาหารอิ่มแล้วน้ําตาลเต็มแล้วฟุกตโตมาถึงเข้าไหมไ ม, ม่เข้าก็ไม่เกิดไม่เข้าก็ไม่เกิดแต่ฟุกโตจะลงไปในลำไส้เป็นรักเลี้ยงแบคทีเรียดีในลำไส้แล้วก็ดูดซึมวิตามินเกลือแร่เข้าไปในร่างกายอะคิดตัวเองจะกินผลไม้ก่อนหรือหละนะัง คือพวกอยากมียี ho, ่ห้อก็จะคิดโน่นคิดนี่ึ้นมาแล้วสร้างยี่ห้อตัวเองแล้วถามว่าเป็นเห็นเป็นผลไหมอธิบายได้ไหมอธิบายไม่ได้เขาว่ากันว่าไอ้เขาแลคุณล่าเ น, นี่ไม่รู้ว่าอะไรนี่แยะไปหมดเขาว่ามาเขาว่ามาบางคนชอบนักหนาชอบเอาโซเชียลเน็ตเวิร์ก Network, แล้วมาถามหมอไปถามโซเชียลเน็ตเวิร์กดีกว่าบางคนอธิบายแทบตายไม่ฟังไม่ปฏิบัติพอเพื่อนบอกนิดเดียวทําเลยก็ตัวใครถักมันไปกับเพื่อนนะครับ สในเรื่องขายที่โซเชียลว่าถ้ากินผลไม้ที่หลังแล้วทำให้เกิดแก๊ก็คือมันเน่าเสียการที่จะได้ประโยชน์ก็เพราะว่าคุณกินเกินเยอะเกินไปแล้วแล้วก็กินเกินเข้าไปกินแป้ตงขาดเกินเกินพอจะเป็นถูกต้องครับโอเวอร์อิทติ้งแต่ถ้าทอดเวลาได้เกินขึ้นชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ลดลดเอฟเฟกเจริงๆการกินผลไม้หลังอาหารคือกินผลไม้ที่ช่วยย่อยอย่างเช่นสับปะรดบ้างช่วยย่อย เพราะเดกต้องกินแป้กันมหาศาลกินหวานกัมดเคืองเห็นไหมกินก๋วยเตี๋ยวไอ้เนี้ก๋วยเตี๋ยวเชื่อมนะงคนบอกหมอแล้วฉันจะกินกับข้าวเปล่าตอนเย็นๆได้ยังไงล่ะฉันต้องมีข้าวแหมที่ไปกินโต๊ะจีนแล้วจิ้มเอาจิ้มเอาโกมิคุ้งองแหมกับข้าวมาวางนีง่เพื่อรอข้าวเลยจิ้มแหลกเลยครับจะมาอ้างตัวตลก นะครับคิดด้วยเหตุและผลไม่เชื่อแต่ไม่ใช่ว่าไม่คือถ้าไม่วิจัยอย่าวิจารณ์ด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมันมีอยู่แล้วเอาตำรามาไบโอเคมีมากลางกันก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้ากันหรอกหมอบางคนบองอ๊ยไม่ต้องกินอาหารเสริมหรอกกินข้าอาหารหลักห่าหมูก็พอแล้วพอครับถ้าคุณอยู่กันในสานที่ห้าตั้งแต่เคร่งยนตสองแรงควายเอาล่ะ วิตามินซีเดี๋ยวนี้เดินข้ามถนนไปฝั่งกระ น, นู้นก็หมดแล้วห้าร้อยมิลลิกรัมเมื่อก่อนกินวิตามินซีหกสิบมิลลิกรัมพอฝรั่งลูกนึงวิตามินซีร้อยมิลลิกรัมได้เต็มแล้วเดี๋ยวนี้ต้องกินพันมิลลิกรัมถึงจะพอฝรั่งสิบรูกกินได้ไหมล่ะเดี๋ยวว่าแต่เคี้ยวเลยคั้นแล้กินไม่หมดเลยก็ต้องกินเป็นอาหารแคปซูล แค่เขาทําเป็นแคปซูลหน่อยก็โอ๊ยนี่เป็นยาไม่ได้นะเดี๋ยวตับไตพังทีเพราคุณท่านจ่ายยากันมาเต็มเป็นกำมือนี่ไม่ไม่กลัวตับตับไตพังไ ใ, ใช่ไหมท่านจะทำในรูปอาหารเม็ดเดี๋ยวก็บอกเอ๊ะเดี๋ยวสับส่วนเป็นเป็ดีกคุณวายรู้อะไรนะหมอเ่มอีกนครับอย่างนี้ก็บางทีที่บอกว่าผักครึ่งหนึงให้นี้เราทานผักก่อนทานข้าวคืออาหารเนี่ยนะครับถ้าโดยหลักการจริงๆต้องรับประทานพวก ตัว appetizer ก่อนก็คือตัวกระตุน้นคำหยาวแล้วก็กิน main c o u s จะเป็นเนื้อสัตเหรืออะไรก็ตามแล้วก็ตับตบด้วยคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยญี่ปุ่นก็ทำจีนก็ทำฝรั่งก็ทำผมไม่อยู่เยอะมันมีสลัดเปรี้ยวะเตะ็กแล้วก็หนมปังไว้เช็ดจานเพื่อๆแล้วก็กินเข้าไปจบคนไทยไม่ได้เลย็นมปังกันเลยป้ายก่อนเลยแล้วผักเนี่ย ควรจะกินผ่านความร้อนนิดนึงเพื่อจะกระตุ้นให้มันวิตามินมันทางานเพราะผักวิตามินมันล็อกอยู่ผักสุกผลไม้สดผักโดนความร้อนเพื่อให้วิตามินทางานและสลายสารพิษสารพิษที่ว่าไม่ใช่สารพิษปนเปื้อนจากการปลูกนะผักเขามีกลไกพวกอันตัวถ้าผักมีกลิ่นใช่น้ำมันหอมระเหยเช่นผักแพวผักผกระยงสลันแหน่ต้นหอมโอเคสดพอได้แต่ถ้าผัก ที่ใบเขียวๆหรือหัวใต้ดินอย่างแครอทเนี่ยเขาจะใช้สยาไนพวปกันตัวกินสดก็งานเข้าอ่ะนะครับอ่ะหมดเวลานะครับใครมีเลยจะถามเดี๋ยวไว้ถามในใจแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก็รู้นะนะครับก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติด้วยความมุ่งตั้งมั่นไม่ต้องตั้งใจนะครับเอาจริงเอาจังตั้งมั่นไม่กลัวตายตายเป็นตายสัตั้งหนึ่ง ตายหลายๆชาติดียิ่งตายยิ่งดีนะจะได้รู้ว่าความตายคืออะไรเราจะไม่กลัวความตายแล้วเราจะพร้อมที่จะตายแล้วจิตเราก็จะพร้อมจะหลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรมก็ขอยทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมนะครับหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นบรรลุโมคติพัน์มมนนโดยเร็วนะครับขอบคุณครับ